อันนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราเราควมชั่วก็ได้ทำความดีก็ได้ถ้าชั่วโมง้านหน้ามันมีจริงก็เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นชั่วโมงกันหน้าเราอยากให้ชั่วโมงหน้าเป็นยังไงเราต้องทมเดี๋ยวนี้อย่างไรที่เราตั้งใจถ้าพรุ่งนี้มีเราก็ทำวันนี้ให้มันดีอันนี้คือของจริง กันจวบเท่านั้นที่เราจะทำอะไรได้เราจะให้มีบุญเราก็ต้องทำดีแล้วความชั่วมีสติมีสำชัญญาบุญก็เกิดขึ้นได้หลายอยากวิธีที่จะให้เกิดบุญตลาดแท่งบุญมีเยอะแยะไอ้ขัดไม่จนดังที่ว่านมายศร้ายไม่พาวนมามไม่ อันโมทนามัยเอวัดจะไม่ธัมมัสวัณนามัยน่นคือการทําได้ตัวโอกาสมีวัตถุก็ทำได้ไม่มีวัตถุสิ่งของก็ทําได้ดังที่อานโมธนามัยเนี่ยแม้เราทำอะไรอยู่ก็ตามเราก็อันโมธนากับผู้ที่ทําดีได้ตัวโอกาสแม่ไม่เห็นกับหูกับตาเราก็เราก็เห็นด้วย ตรงรู้สึกคิดเนี่ยอย่างง่าเราก็อยู่บ้านเป็นครอบครัวเห็นคนทำดีลูกหลานทำดีเราก็ออนุโมทนาไปกับเขาเขาจะเพิ่มความดีของเขาบางทีเราก็ได้ทำดีก็ออนุโมทนาคนอื่นที่เขาได้ทำดีแม่ไม่มีอะไรเป็นนิมิตมีเครื่องหมายแต่ว่าทำในใจอยู่กับเหตุการณ์อลไรก็ได้ เช่นอ่านโมทารามัยใที่หลวงพ่อพุทวันได้ว่าอย่างไราเป็นเรื่องสะดกที่กล่าวไว้ใหเพื่อนกันสองคนเป็นเพื่อนกันตักกันเพ็นหน้าที่ชวนกันไปอันหนึ่งจะมีการเทศแสดงธรรมก็ชวนกันไปฟังเทศสมมุติว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเทศที่อริธรรมสถานชวนกันแล้วเพื่อนสองคน พอถึงเวลาพระท่านเทศต้นหนึ่งมีปัญหาไม่สามารถที่มาพังเทศได้ลูกเก็บไข่ได้ป่วยต้องพยาอาหารให้มีอาหารใจกินก็เลยพยาอาหารไปจับปลาอยู่ที่ห้วยหนองของบึงแต่คนหนึ่งไปพังเทศอยู่ที่วัดเป็นสองคนนี้คิดยังไงอันัวตามัยมันเกิดได้ยังไง คนหนึ่งที่จับปลาอยู่อนน้ำเวลาที่ย็นเสียงคลองหรือที่ว่ดาดังขึ้นคนจับปลาก็ซาทุกเสียใจที่ไม่ได้ไปฟังเทศเพื่อนเราคงได้บุญได้กุศลโอ้เรามีปัญหาเนาะลูกไม่มีอาหารการกินใจมันได้ไม่ได้ไปจับปลาใจมันอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมแต่คนที่ไปฟังเทศ ก็เชิญเพื่อนที่ไปจับปลาโอ้ยปลาเนี่เพื่อนเราของจับปลาได้เจอะเนาะเราเสียเปียบเพื่อนแล้วไม่ได้ไปจับปลาเขาของด้งปลาตัวใหญ่เวลานั่งฟังเทศไม่รู้เรื่องโรเล่าคิดถึงแต่เพื่อนที่จะจปลาเพื่อนที่จะปลาก็เวลาที่เห็นแสงค้องก็อ้อนโมทนาสาธุทุกข่างแหวนก็แว่าเพื่อนสองคนนี้แตกต่างกันบนกุศล เออลววาวชนเตยเพื่อนคนที่สาธุอยู่กับวันจะปลาแต่เป็นเทวดาเพื่อนที่มาพังเทศไตยเป็นนอนอยู่ในช่วงพระคิดถึงกันได้ก็ทำงานหากันคนที่เป็นเทวดาก็มีความสุขคิดถึงเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ในน้องตามหาเพื่อนจะพาเพื่อนไปอยู่ด้วยใครก็เห็นกันหนอนอยู่ในช่วมของพระมดโคดรอยู่ เพื่อนก็นเรียกโอ้ยเพื่อนเด้ยมาอยู่นี่ยังไงไปด้วยกันเถอะเมงสวรรค์มันมีความสุขไม่หวนไม่อยากอาหารการกิน่ก็จะคิดอะไรก็ได้กินอย่างที่ได้ดคิดก็เคยก็แบสวรรค์มันดียังไง่เวลาจะกินอะไรอยากกินอะไรก็ชิดเฉยๆมันก็มาให้กิน่ะเพื่อนที่เป็นนอนอยู่ในห้องน้ําห้องส่วมพระก็รลยร้องว่า โอ้ต้องคิดเั็นหรือจึงจะได้กินที่ไม่ต้องคิดเลยมาเองมาเองมันไม่ใช่อาหารเนี่ยมันเป็นคูดมันเป็นคูดเป็นถังโสกพกเมืองเทวดามีคูดกินไหม <c oughs> เพื่อ้ไหมไม่มีคูดมีแต่อาหารที่เอาถ้าไม่ไปเราจะอยู่นี่แหละดีกว่า เพราะฉะนั้นคนจิตติยานของคนเราบางทีก็พอใจกับความชั่วหมกปุ่นคุณชิดไปความอิจฉาไปบาทเลียดเบียนแต่ละกันบางคนก็คิดแต่คิดจะ ช, ช่วยเหลือจึงอะละกันพรมจิตพรมธรรมแต่ละคนมันต่างกันเราจึงไม่ต้องประมาทเรื่องนี้พยายามให้เต็มที่แต่ประมาทในบาปอกุศลนั่นหลือ มันจะดื้อได้มันจะคิดได้คิดเอาโดยที่ไม่รู้จักหลายบาปแม้ไม่ได้ทําก็ยังคิดอิจฉาเบียดเบียนคนอื่นเท่า น, นี้ก็เป็นบาปได้อต่างคนที่ฟังเทศคิดถึงเพื่อนที่จะปลาไม่ไทําเรงแต่ว่าคิดสลําลงไปกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผลสี่งก็เป็นกรรมมือนกันแต่ทั้งที่ไม่ได้จะปลามาฆ่า แต่คนที่จับลาม่ได้คิดเรื่องค่าคิดถึงบุญกุศลมันเป็นความจําเป็นเท่าคหร่เป็นบุญเปไ็นด้เรามาต้องมีอะไรตลองเป็นเกตนาหาที่เ ก, กิดขึ้นในใจของเรามันอยู่ที่ใจแท้ๆถ้าเราผขัดใจนะี่ยเราก็มีจิตมีใจทุกคนมันโกรธเป็นมันทุกเป็นมันสุขเป็นมันรักเป็นมันชัางเปนอะไรที่มันควรทจะสอนใจเราก็สอนซะจะให้ ปล่อยปละละเลยให้มันโกรธพีพีให้มันหลงพีพีสอนใจเวลามันหลงสอนใจเวลามันโกรธสอนใจเวลามันทุกข์ให้มันรู้สึกตนนั้นตัวขัดจิตดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ไปตามกาลเทศะถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ดีสมาช่างชีกันก็อยู่กันไปนี่ก็เป็นบุญ่แล้วมันไปอยู่แล้วตามเวลาใดที่มัน แต่ทบกับอารมณต่างๆมันหลงไว้ก็ให้ดูดีๆพยายามอย่าประมาทอนที่มันหลงถ้ามันหลงก็ตั้งต้นใหม่ไว้ก่อนอย่าหมกมุ่นอย่าผิดแผ่นทันเล่นในความหลงง่ายยับรั้งจังกิจอก็ไม่มีนิสัยที่จะสอนตัวเองเป็นความหลงก็ว่าให้หลงความทุกข์ไปทุกร้เยไป การประหัดตนเนี่ยมันเป็นของที่ไม่เยอะเพราะมันอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่ในมือของเราแตแท้ใจก็อยู่นี่กายก็อยู่นี่วาจาก็อยู่นี่เราจงมีวิธีที่มันสมบูรณ์แบบวิชากรรมฐานเนี่ยแม่แต่น้อยก็ยังดีช่างสวัดหูเชือกหงูเลบลีนนิดวดอยก็ยังดีมันจะเป็นนิสยนัยนะความชั่วความ คิบหายหายยีน่าต่างๆไม่นิดหน่อยก็เป็นนิสัยไา้แเพียรพยาพยามฝึกฝนตนเร่งเอาไว้มีสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้หัดให้มีสติถ้ามันเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดเวลามันเป็นแล้วไม่ต้องหัดมันใช่ได้เลยเหมืนเราขัดขับรถเมื่อันเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดมันเป็นไปเอไม่ต้องไปลําดับไม่ต้องไปต้องวิชาการมันเป็นไปแล้ว สิ่ไหนที่มันทำเป็นสิ่งไหนจาไม่เป็นมันทำเป็นในรูปลักษณะอย่างไรชีวิตเราง่ายที่หลงหรือง่ายที่รู้ง่ายที่จะไม่ทุกข์หรือง่ายที่ทุกข์ง่ายที่โกรธหรือง่ายที่ไม่โกรธต้องหัดจังเลยอะไรก็เอาความทุกข์ออกหน้าออกตาเอาความโกรธเอกหน้าออกตาเอาความหลงเ อ, อกหน้าอกตามัง่ายไปทางนั้นต้องจำเป็นต้องปหัดตัวเอง จะเป็นต so ้องพึงระตัวเราอย่าเอาเพชเอาไว้เอาลัทธิเอาอะไรมาขวางมากันเอาตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆไม่ใช่อย่างเกินไม่ใช่สมมติไม่ใช่เปรียบเทียบกับอะไรทั้งสิ้นชีวิตเราไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับวัตถุเสียงของกับผู้คนอะไรเราต้องดูแลตัวเราให้ดีไม่เช่นั้นแล้วจะเสียโอกาสจะพลาดได้ เวลานี้มันหลงเวลาข้างหน้าก็หลงเวลานี่มันทุกเวลาข้างหน้าก็ต้องทุกเวลานี่มันโกรธเวลาข้างหน้าต้องโกรธเวลานี้มันใจร้อนเวลาข้างหน้าก็ใจร้อนความใจร้อนไม่ใช่ร้อนอยู่เสมอมันร้อนไปเรื่อยๆตุนแรงขึ้นความใจเย็นไม่ใช่เย็นน้อยมันเย็นมากเย็นมากกว่าจนถึงที่สุดแห่งความเย็นน่ะต้องล้องก็ว่าเหมือนกับคนติดยาเสติดแต่พวกเรเคยคนติดยาเสติดมาอบรม ขี่เดรีนขี่เดรินเส้นเดียวอยู่ได้เป็นวันสองวันเอาไว้สองเข็มก็อยู่ได้สามเข็มอยู่ไม่ได้เป็นสิบสิบเข็มก็อยู่ได้ต้องนอนอยู่กับเข็มขีดเดรียนมันมันก็เจอก็ประสางนั้นได้ควชั่วเขามันได้เสี่ยงานี่ยมันหิวอย่าไม่มีใครต่อสู้มันได้คนพวกนี้น่าคุยให้เราฟัง ต, ตีกันเนะ่ยผมคนเดียวไม่สนุกต้องให้เขาสองคนสามคนให้ผมคนเดียวสนุกดีไม่มีใครสู้ผมได้ถ้าผมได้หิวหิวฮลิรอินแล้ ว, เ, ว เ, เขาก็เจงแบบนั้นแล้วก็อบรมเขาเล่ากงโมอยู่วัดเ ข, ขาออกจากวาดไปไปอยู่บ้านไปตีอีกเออต่อมาเห็นเขาขี่จักรยานมาหาในจักรยานนั้นมีของของกินมีผักไม่อรหลายอย่าง อยู่ตะแคงรถจักรยานตอนเช่ามืดตามว่าเจ็ดใหม่ใหม่เห็นมันฉีจักรยานมาที่วัดเอ้าวเอาจักรยานมาจากไหนบอกว่าแปลว่ามาจากตลาดสดตลาดเช่าที่วังเลยเมื่อมงไงเห็นจอดอยู่ก็เลยเอาเลยมันใส่กุญแจขอลรถผมบิดไปเดียวมันแจรถมันขาดไปเลยห <c> ร <oughs> ือแล้วมึงไม่สงสารเขาเลยเขาไปซื้อผักกาลังจนตะแคงเน่ะ คิดยังไงมันไม่รู้จะคิดมันหิวยามไม่มีเลยไม่รู้จกคิดอะไรมีแต่จิตจะเอาอะไรจะเอาอะไรไหนว่าเห็นทัที่ยว อ, อะไอาา็ออกมาก็วังครับให้มันเอาไปทิ้งไว้กลางทางตอนเ้ามืดเอามันไปจอดว่าก็ห้คนไปจับไปแจ้งตำรวจมาเอาไปนี่มันขนาดนั้นวันหลงเรามันจะหลงทวีคุณเข้าไปจิตใจของเราเนี้ยอย่าประมาทและความหลง ผู้เจ้าตัดว่าเหมือนน้ําหยดลงจกตุ่มทีละหยดละหยดเพอสามารถเต็มตุ่มได้ความดีมันกันความชั่วมันกันสตินี้ที่เรามาสร้างอยู่นี่ยมันเป็นการตรวจสอบอยู่ในตัวมันเองไม่มีใครเห็นหรอกมิเต่สติเข้าไปเห็นแต่เนี่ยกทั้งความคิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมามีสติเท่านั้นที่เห็นความคิด ตัวคิดตัวนี้ตัวลกคิดตัวสังขารที่เป็นจิตตสังขารที่มันปรุงมันแต่งคิดอะไต่างๆเนี่ยเป็นต้นตอของเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความคิดถ้าเป็นจำเลยก็เป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งการกระทําเป็นจำเลยหมายเลขสองที่เป็นกายแสดงออกบาจาะแสดงออกอันจำเลยหมายเลขหนึ่งคือความคิดเราไม่เนื้อว่ามันจะผิดศีลผิดธรรม แง่ต่อสินสังคมเขาก็ไม่ปรับการผิดสินเรื่องของความคิดเพียงแต่บอกว่าการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินต้นเลยการสำรวจกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความโลกรู้ในของสังสารชื่อว่าปัญญาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินกายวาจาเป็นจำเลยหมายเลขสองเลขสา จำเลยมาเล็กหนึ่งมันมาจากกิจที่มันคิดขึ้นมาก่อนวันจึงแสดงของอทางวาจาทางกายได้เราไม่รู้เรื่องนี้ก็สำรวจแต่กายปล่อย ใ, ใจคิดไปแตะเบือตะเบือไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือรักษาศีลรักษาเท่าไหรก่ก็ไม่ปนนไปศีลอะไะเพราะมันเกิดจากใจการรักษาศีลเนี่ยบางทีได้เสียงได้ยินเสียงอื่นมาล่องผลตรงใหม่ ยังคิดถึงอื่นดังมีนิทานเล่าไว้ชาโดุกล่าวไวไปจับอื่นนอนอยู่จํำสินที่วัดอยากไปจัเบื้องมันก็คิดไปแต่มันไปไม่ได้โอ้ยเรามาจิวสินในวัดอันกายมันนั่งนอนอยู่ในวัดแต่ใจมันคิดไปจับอึืงอยู่ในทุ่งนาลอนคนอยู่ก็เป็นกรรมตายเป็นดึงไปเป็นพี่น้องสองคนตายเปนตด็กพ่อหน้าตายพ้นตาก็ว่าเอง ว่ากลัวนี่จานกระดูกเพราะพี่น้องสองคนพ่อแบ่งตันนาให้กระดกนะให้เช่นนี้ทัน่ะแบ่งกันให้เรียบร้อยเวลาฝนตกก็ไปตั้งนาเขียดแดนคนหนึ่งก็รู้ว่าจากตอนวันตอนนี้ให้วาหนึ่งคนใดไปปันก็เอาวากลัวแียงนั้นผู้เป็นพี่บอว่าวาหนึ่งนะพี่น้องว่ากลัว เพาหนึ่งรักกว่าแทงกันไปแทงมาก็ต <c oughs> ีกันข่ากันตายตายกันก็ไปเป็นเด่นสองตัวพี่น้องใจเย็นหน่อยถ้าฝนตกฟังดีๆนะเพราะหนึ่งรักกว่าเพราะพี่น้อสองคนฆ้ากันตาเพราะไปรักษาชินนั้นมันมีนิสัยแบบนั้นเลยตายเป็นเด่นเพราุงนา นีมากเลยไม่ได้กายไม่ได้ไปเลยแคิดมันไปคิดมันชิดไปเราจึงระวังสมรวมให้ดีๆมีสติเท่านั้นอย่าไประวังจนสะดุ้งเขว่าเวลาใดมันคิดอะจะไปควบ ม, มันให้ให้รูปแบบสดชื่นไปหละเหมือ น, นแอบดูเนี่ยถ้าไปจ้องดูไม่ค่อยเห็นหนอกถ้าแอบดูเห็นชัดจับได้คาหนังขาเขาเหมือนคาถาของคนสมัยโบราณ ถ้าประชิดสอนกันโดยปากต่อปากไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องโลดป่องอาจารย์อยู่ข้างบนลูกศิษย์อยู่ข้างล่างเรียกว่าคาถาโลดป่องคนที่อยู่ข้างล่างมันตั้งใจฟังอันคนที่บอกต่อปากกันนี่ไม่ไม่คยตั้งใจหรอกคนที่อยู่ข้างล่างมันตั้งใจฟังไปแอบปองปเอาองขาสอนอาถาว่าอะอุอริสัต ย, ะยะติอาติตัจะอาทิตยจัจวิธาจัจจอาทิตยจัจ จ, จ, จ, จ, จสยุสยันจจสุเอกิจจิกาถาเปื่อนได้ไหมคนที่ อยู่ใต้ถุนบ้านแอบฟังเอาแอบฟังชราำได้คนที่นั่งสอนต่อปากัำว่าขยันนะพึ่งกันน้ามันหมื่นอาจารย์ก็นั่งพึ่งกันหนึ่งลูกเสีอก็นั่งพึ่งอีกคนหนึ่งสอนกันในโบสปากต่อปากแต่ว่าคนที่เรียนโลดป่องไปแอบฟังเอามันตั้งใจมันจักสิทธิ์กว่าอันตัวแอบดูมันศักสิทธิ์มันจับได้เหมือนคาถาของคน สมุนไพรที่เขาเรียกเขาเรียนเลราเรียนว่าต้องบอกเป็นอุบายจากฟังไหมาอาศรเรียนยาวสอ น, นอะไรก็สอนอะเขาไม่บอกตรงๆมันจึงมีคุณภาพอย่างว่าดําดินบินบนพาตุจิงไม้เติม ด, ดินบินบนพาตุจิงไม้ดดง่ายแผ่นดินสูงในดินไม่แผ่นดินชินนอนนอนลาดันดินคืออะไรเบนบนคืออะไรธาตุจิงไม้คืออะไร ไม่แผ่นดินคือเลยสุกในดินคือเลยกินนอนนอนลาคือ่ะไคิดเอาอ่ะอันนี้มันสักชิดเพราะไปเตีเ่ยวถ้าไม่ได้เนี่ยแสดงว่ายาไม่สักชิดต้องให้ได้คนที่ตั้งใจอยากแก่วมันก็ชิดหาดันดินคือไรเนาะใช่ไหมอะไรเนาะดําดินเนี่ยมันเป็นพืช ดำดินอะไรแต่มันดำไปในดินหมายถึงมูดไปในดินเนี่ยมันคืออะลองคิดเถอะอ๋อวันใดเนาะดเดินคิดเดีตมันใส่ใจใส่ใจโอ้คิดไปคิดมาโอ้อย่างหัวใหญ่ข้าวเย็นเหนือโอ้มันดํา <c oughs> บินบนมาอะไไปบินบนบินบนมันบินไปข้างบ น, นคืออะไรล่ะอะไรเนาะบินบนเน่ยคิดถาสองวนันสามวานันใช่ไหม คิดไปคิด ม, มาบอเออบินบนคื อ, อะไรคือพึงอพ่งโอน้ําพึ่งบินบนดําดินเวนบนพาดจิงไม้พาด จ, จิงไม้พาด จ, จิงไม้เลยรเนาพาด จ, จิงมไจจงม้เนาชิดโต้ชิดไปใชาไหมโอ้โบล่เพชรโบล่พาด จ, จิงไม้ใช่ไหมง่ายแผ่นดินไง่ายแผ่นดินไง่ายแผ่นดินแค่ไหนอะไระง่ายแผ่นดินถ้าชิดฝึงไถไห่หไม่ใช่ ง่ายแผ่นดินมันไม่ใช่ไอมันง่ายแผ่นดินไปไหง่ายแผ่นดินแค่โนอเชิดไปเช็ดไปเชิดไปเชิไปโอ้แผ่นยาแห้วหมูมันง่อยออกมาหมาทึบเป็นชั่นเลยยาแห้วหมูหัวยาแห้วหมูเนี่ยง่ายแผ่นดินเออสูกในดินแค่โน่สูกในดินนะฮะแค่ไม้นชันโอ้หลวงพ่อกรมเดียฮ่ฮฮก็มีมันสูกในดินมันเหลืองอะ ไม่แผ่นดินไม่แผ่นดินคืออะไรไม่แผ่นดินเอ้าก็เนี่บอกว่าชิดอ่ะปัญญาเวทนาไม่แผ่นดินแผ่นดินคือเลยนเนาะชดอ่ะฮะไม่แผ่นดินไม่คือว่าไม่คืออะไรคือว่าไม่คือไฟว่านไฟโอ้ไม่แผ่นดินคือว่านไปเลยกินนอนนอนลากินแล้วนอนลาเมาไปเลยนี่คืออลไร เกตอย่างเอามาผาสมกันเท่าๆกันบดเป็นผงผสมบินบนผู้สมนำเพื่งปั้ น, น, น เ, เ, เป็นโลกจึงชอบเม็ดเจนเม็ดปัญญาวัฒนะเขาบ อ, อกนะเรียกว่าเค็ดลับนะอันตัวฝึกตนนีระบว่ารมีเคล็ดลับในตัวนะไม่ต้องไปเจอไปเจอมีเคล็ดลับค่อยๆแอบดูอ้ยชื่นใจเมื่เห็นความผิดเมื่อเห็นความถูกเมื่อเห็นควิดไม่อแต่ตกกตะ การกระตักระตาไม่ไม่ขังนะต้องสังเกตยิ้มในใจเห็นความหลงนะไม่ใช่หน้าบูดดามเบิ้งนะเห็นความหลงในยิ้มนะถ้าเห็น จ, จริงๆนะเหมือนเราเห็นนะโอ้ประตุเป็นชนีน้องหลงโอ้โอ้โอ้วางขุมนตรีวะก็โอ้แต่มันไม่ใช่เศ้าใจนะมันสดชื่อฮฮฮนี่คือแอบดูมันเห็ น, น <laughs> แล้วเนี่ยเ้อเขาเออคืออะไ อืมวิปัจนาถึงที่ไหนถึงบางอ้ออันนี้บางเรืองเพราะว่าวิปัจนาถึงไหนคือบางอ้ออ้อนะสดชื่อดูสดขวามโกดเปรนี่นาะควมหงเปร่งเนาะควทุกข์เปี่งเนาะโอ้ยเห็นแล้วตมน้ำน้ำเนถ้าเห็นอย่างนี้อ่ะมันสดชืดอันตัววิปัจนาถ้าเชื่อแ่เห็นแล้วก็ตกกตะดม่ใช่นะ แค่ดูอย่างนี้นี่กรรมฐานนี่คือสอนตัวเองเราจึงพึกผลต้นแดงอย่าประมาณนะ